เวทนาสั่งยุทธประมวลเรื่องเวทนาสรงแสดงเวทนาโดยละเอียดในแง่มุมต่างๆจำแนกประเภทเวทนาออกเป็นหลายประเภทเช่นเวทนาสเวทนาหเวทนาหเวทนา8ทรงชี้ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับพระอริยเจ้าว่าถึงแม้จะสวยเวทนาเหมือนกันปุถุชนย่อมสวยทั้งทางกายและทางใจ ส่วนอริยบุคคลสเสวยเฉพาะเวทนาทางกายเป็นต้นมาตุคามสั่งยุตประมวลเรื่องสตรีเช่นกล่าวถึงสตรีที่มีคุณสมบัติเท่าไรจึงจะเป็นที่ถูกใจและไม่ถูกใจบุรุษกล่าวถึงทุกข์ของสตรีกล่าวถึงธรรมะที่ทำให้สตรีเข้าสู่อบายและสุขติเป็นต้น ชัมผู้ขาท ก, กะสั่งยุติประมวลเรื่องปริพาชกชื่อชัมผู้ขาท ก, กะสั่งยุตินี้ได้บันทึกคำตอบปัญหาธรรมของพระสาวรีบุตรที่ปริพาชกนี้ไปถามท่านเป็นการให้คำจำกัดความสั้นๆน่าสนใจขอนำมาบางส่วนมาแสดงไว้ในที่นี้ถามนิพพานคืออะไรตอบคือความสิ้นราคะ โทสะและโมหะถามอารหัตคืออะไรตอบคือธรรมะเป็นที่สิ้นราคะโทสะและโมหะถามการประพฤติปรมจรันร ม, มีประโยชน์อย่างไรตอบมีประโยชน์เพื่อมีกําหนดรู้ทุกข์ถามทุกข์คืออะไรตอบคือทุกขทุก หมายถึงทุกกายทุกใจสังขารทุกข์ทุกขคือเบญจขันธ์วิปริณามะทุกข์ทุกขคือความเปลี่ยนแปลงสามัญทสั่งยุตมีสูตรสั้นๆเพียงสูตรเดียวพระสาริบุตรตอบคําถามสามัญทบริภาชกเกี่ยวกับความหมายของนิพพานและทางบรรลุนิพพาน โมคลานะสังยุตประมวลเรื่องพระโมคลานะส่วนมากเป็นโอวาทที่ท่านพระโมคลานะสอนภิกษุทั้งหลายเช่นเรื่องรูปประชานอารูปประชานที่แสดงแก่เท้าสกกะเทวราชก็มีบ้างจิตตะขะหปฏิสังยุตประมวลเรื่องค้าระหาบดีชื่อจิตตะจิตตะขะระหาบดีเป็นพระหูสูตร เป็นธรรมกระถึกและมีความอ่อนน้อมต่อพระสงฆ์มากเธอมักหาเวลาไปสนทนาธรรมกับพระภิกษุสงฆ์เสมอสังยุทธ์นี้เป็นการประมวลบทสนทนาธรรมหัวข้อต่างๆเช่นกายสังขารวาจีสังขารสัญญาเวทาิตะนิโรธวิมุตติมีสูตรที่น่าสนใจสำหรับชาวพุทธทั่วไปสูตรหนึ่งคือกิฬานสูตรขอนามาลงโดยย่อ คีลาณสูตรจิตตะคฤราบดีป่วยหนักพวกเทวดาที่สิงสถิตตามสวนป่าและตามต้นไม้มาบอกว่าคนที่มีศีลมีกัละยาณธรรมเช่นท่านแม้ปรารถนาเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิในชาติหน้าก็ย่อมได้คฤราบดีตอบว่าแม้ราชสมบัติก็ไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนจำต้องละไปในที่สุด พวกญาติที่นั่งเฝ้าไข้ยอยู่นึกว่าท่านเขารหาบดีเพอ้อจึงกล่าวว่าจงตั้งสติให้ดีอย่าเพ้อเลยเขารหบดีบอกพวกญาติว่าตนไม่ได้เพอ้อเพียงแต่ปฏิเสธคำเชิญชวนของพวกเทวดาที่มาขอให้ปรารถนาราชสมบัติในชาติหน้าเพราะเห็นว่าราชสมบัติก็ไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนจำต้องละไปในที่สุดยังมีสิ่งอื่นที่ดีกว่า เมื่อพวกญาติขอให้สอนสิ่งที่ดีกว่านั้นจิตตะเข้ารหับดีได้สอนพวกเขาว่าสู่เจ้าจงสำเนียกศึกษาว่าเราจักประกอบด้วยศรัทธาอันไม่หวั่นไหวคลอนแคลนในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขามณิสังยุตประมวลเรื่องในบ้านหรือผู้ใหญ่บ้าน เป็นเทศนาที่แสดงแก่ในบ้านหลายคนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เป็นธรรมะพื้นฐานเช่นการใช้สอยโพกขรั์เรื่องศีลห้าเป็นต้นขอนำมากล่าวเพียงบางสูตรอสังขาสูตรในบ้านคนหนึ่งชื่ออสิพันธะกะบุตรเป็นสาวกของนิครณ น, นาตบุตรหรือมหาวีระกล่าวกับพระพุทธเจ้าว่า อาจารย์เขาสอนว่าคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดในกามพูดเท็จตกนรกไปอบายหมดกรรมใดที่มีมากๆกรรมนั้นแหละจะนำคนไปพระพุทธเจ้าทรงย้อนถามเขาว่าธรรมดาคนเราเวลาที่ทำกรรมชั่วกับเวลาที่ไม่ทำกรรมชั่วอย่างไหนจะมากกว่ากันเมื่อเขาทูลตอบว่าเวลาที่ไม่ทำกรรมชั่ว พระองค์จึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นอาจารย์ของท่านสอนว่ากรรมใดมีมากกรรมนั้นก็จะนำคนไปนั้นไม่ถูกบุคคลที่ยกมากล่าวถึงนี้ก็ไม่ตกนรกไม่ไปอบายเพราะเวลาที่เขาไม่ทำกรรมชั่วมีมากกว่าพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าพระองค์ตาหนิการทาปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิชฌาจารย์ โดยอเนกปริยายสอนให้สาวกงดเว้นจากการทำบาปเหล่านั้นเหล่าสาวกของพระองค์ต่างคนต่างเคยผิดพลาดทำปานาติบาตเป็นต้นคนละไม่มากก็น้อยแต่ตั้งใจงดเว้นเลิกละปานาติบาตเป็นต้นเมื่อเจริญเมตตาเจโตวิมุตติและอุเบกขาเจโตวิมุตติบาปกรรมที่ทำไว้มากบ้างน้อยบ้างก็จักหมดไปเอง อสังคตะสังยุตประมวลเรื่องอสังคตะคือพระนิพพานทรงทำให้คำจำกัดความสังคตะว่าได้แก่ความสิ้นราคะโทสะโมหะแล้วทรงแสดงทางไปสู่อสังคตะหลายในเช่นสมถะและวิปัสนาสมาธิที่มีทั้งวิตกและวิจาร สมาธิที่มีแต่วิตกไม่มีวิจารสมาธิที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารอปินิอิตสมาธิอ น, นิมิตตสมาธิสุญญาตสมาธิสติปัฏฐานเป็นต้นอภยากตะสังยุตประมวลเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ตอบ ซึ่งได้แก่ปัญหาโลกเที่ยงหรือไม่โลกมีที่สุดหรือไม่สัตว์ตายแล้วเกิดใหม่อีกหรือไม่เป็นต้นที่นักปราดมักถามกันทั้งๆ ท, ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศท่าทีที่ชัดเจนต่อปัญหาเหล่านี้ก็มีพระสาวกบางรูปให้ความสนใจอยู่เมื่อไม่กล้าถามพระพุทธเจ้าก็ไปถามพระเทระรูปอื่นเช่นพระสารีบุตร พระสาวริบุตรตอบได้คําเดียวว่าปัญหาข้อนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากร